ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนตรีการได้เจริญกุศล พอเมื่อสักครู่โยมบอกว่าทำอย่างไรทำให้ชีวิตจะได้จะได้ความพาฒสุขแห่งชีวิตอย่างเงี้ยนะมีวงเล็บด้วยนะพราะจริงๆออกมาจะพูดคำนี้แล้วเนะเพราะภาษาสดาบอกว่าสุขโขลปรัชชาการบรรพชาเป็นเหตุให้ได้สุขใช่ไได้ความสุขไหม ถ้าพูดถ้าพูดไปแล้วนะอย่างที่โยมตั้งประเด็นว่าทำยังไงให้ชีวิตผาสุกเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเป็นปรารถนากันนะไม่ใช่ไม่ปรารถนานะคือภะาษาสดาตราัสเขาไว้นะในชั้นของคำสอนเนี่ยถ้าเราบอกว่าภาษาสดาแสดงได้แสดงหลัก ทรงสอนในเรื่องของคํา ว, าว่าพระเจ้าวอกดูก่อนเครื่องหัมเดีดูก่อนเครื่องหัมเดีอันนี้แปลว่าสอนแก่อนาถาปินต้นเนี่ ย, ยคือท่านมีทรัพย์พระศาสดาก็ตรัสบอกว่าความสุขนั้นมีอยู่สี่ประการเป็นสิ่งที่เครือข่าผู้บริโภคการมคื อ, อยังจะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์เกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาสามีเกี่ยวข้องกับมิตรบริวารเนี่ยนะ ควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆตามการตามสมัยความสุขสี่ประการนั่นคืออะไรพระศาสดาก็ตรัสว่าอัติสุขโพค้าสุขอนานาณาสุขแล้วก็อนณวัชชสุขประการแรกก็บอกว่าอัติสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์เป็นชนินคือกุลบุตรเนี่ยมีโพคะอันหามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรสะสมมาด้วยลำแขน กำลังแข็นเน่ยนะอย่างอาบเหงื้อดังน้ําเป็นของชอบธรรมนะได้มาโดยธรรมคาว่าเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเนี่ยแปลว่าคือเรื่องหัดที่บริโภคการมทั้งหลายนั้นเนี่ยเวลาแสวงหาทรัพย์ก็แสวงหาด้วยจารีตศีลแล้วก็มีวาริตศีลด้วยจารีตศีลในที่นั้นก็คืออะไรก็คือการ ที่สามารถที่จะหาได้ด้วยใจที่เป็นไบกับกุศลมีอะไรมีอาชีวประลิศที่ศีลคําว่าอาชีวปริสุศที่ศีลก็คือว่าศีลที่เป็นไปกับการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพก็คือว่าตัวการจารีศีลเนี่ยอาชีวประลิศที่ศีลเนี่ยเป็นชื่อของอาชีวปริสุศที่ใช่หมเออเป็นชื่อของอ า, อาชีวประลิศที่ก็แปลว่าอะไร สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะไอ้ตัวสัมมาอาชีวะตัวนั้นเนะี่ยคำว่าสัมมาชีพตัวนั้นเนี่ยท่านหมายถึงสัมมาอาชีวะวิรตีคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นจากเวรเจตนาอากุศลก็คือว่าเป็นสภาวะธรรมที่ไปตัดรอนเวรเจตนาอากุศลในขณะที่ประกอบอาชีพการงานก็คือว่ามีการตัดเวรไปด้วย เวรเจตนาเจต น, นาที่จะฆ่าสัตว์เจตนาที่จะลักทรัพย์เจตนาที่ประพฤติผิดในการมเจตนาที่จะพูดเท็จสอ่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อฉะนั้นตัวตัวเจตนาเหล่าเนี้ยนะไอท้ที่เป็นตัววิรติเหล่าเนี้ไปตัดรอนเนี่ยตัดรอนเวรเจตนาเหล่านี้ด้วยแล้วก็ประกอบอาชีพไปด้วยด้วยใจที่เป็นกุศลด้วย ฉะนั้นในขณะที่ใจที่เป็นไปกับกุศลแล้วก็มีการประกอบสัมมาชีพไปด้วยนั่นแหละและตนเองก็ไม่เกี่ยวข้องกับทุจริตทางกายสามอย่างแล้วก็ทุจริตทางวาจาอีกสี่อย่างแม้ในขณะนั้นจิตใจของตนเองนั้นเน่ยก็ไม่เป็นไปกับความโลภความพยาบาทและก็ความเข็นผิดลักษณะนี้แสดงว่ามีความสุขไหมใน ก, การเลี้ยงชีพเพราะว่าตอนนั้นใจเป็นไปกับกุศล ทีนี้พอเวลาจะเกิดบาปเช่นถ้าจะเกิดบาปที่ออกมาทางกายกรรมจะเกิดบาปที่ออกมาทางวจีกรรมมีการพูดเท็จส่อเสียดและคำหยาบตัวสัมมาอาชีววิริก็จะไปตัดรอนบาปเหล่านั้นไม่ให้มีการล่วงละเมิดออกมาทางกายกรรมและทางวจีกรรมใจของบุคคลที่ประกอบสัมม า, าชีพในที่นั้นก็เป็นไปกับความสุขมีความสุขกับการประกอบอาชีพ ทำไมมีความสุขกับการประกอบอาชีพเพราะเห็นสัมมาอาชีววิรติทำไมจึงเห็นสัมมาอาชีววิรติตัวศีลตัวนี้เพราะตนเองประกอบจารี่ศีลมาแข็งแรงแล้วประกอบอาทีนี้พระองค์จะตรัสคู่กันนพะพศาธธสดาได้ตรัสผลเนี่ยถ้าพูดถึงบอกว่าดูก่อนขณหาบดี อัติสุขนี่ยนะกุลบุตรนั้นมีโพคะอันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเธอได้ความสุขได้ความสมานัดว่าเรามีโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรพิจารณาไปเองเราไม่ได้ไปทุจริตใดๆเลยเนี่ยเราได้มาด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียร ด้วยเลี่ยวแรงด้วยกําลังอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเนาะสะสมมาด้วยกําลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ําได้มาโดยชอบทำด้วยได้มาโดยทำด้วยได้มาโดยชอบทำได้มาโดยทำก็คืออาชีพไม่ทุจริตได้มาโดยได้มาโดยทำก็คือว่าใจเราก็เป็นไปกับกุศลเนี่ยเพราะเราได้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เราก็ไม่ได้ทำใจของเรานั้นให้เป็นไปกับบาปอากุศลเลยเราไม่มีทุจริตทางกายไม่มีทุจริตทางวาจาและทางใจเราก็ไม่มีทุจริตเลยเราขยันมันเพียงเพราะอยู่ในฐานะเป็นบริษัทเป็นอุบาสกบบสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้เขาเรียกว่าอัตถิสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์คิดถึงทรัพย์ทุกเม็ดเงินที่ได้มาแล้วเนตนเองประกอบมาได้โดยด้วยความสุข มองเห็นนะนี่ประการนี่ข้อแรกเดี๋ยวพระองค์จะบอกนะเมื่อเมื่อได้ข้อแรกนี้แล้วเนี่ยแล้วพระองค์จะบอกอีกมุมหนึ่งอย่างไรประการที่สองโพคาสุกสุกเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นไนกุญราบุตรเนี่ยกินใช้ทําสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายเนะอันเป็นบุญแปลว่าอะไรบุญเป็นชื่อของความสุขไหม เป็นชื่อของความสุขบุญนั้นเป็นชื่อของโสมณัติโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นชื่อของอุเบกขาก็เป็นไปกับกุศลด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรอันสะสมมาด้วยกําลังแขนอย่างอาบเหงื้อถางน้ําซึ่งเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเธอก็ย่อมได้ความสุขและได้สมณัตว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมได้มาโดยชอบทำเนี่ยนะเราได้กินได้ใช้ และได้ทำสิ่งที่ดีงามอันเป็นบุญอันเป็นทานนากุศลทั้งหลายนี้เรียกว่าโพคาสุขนะสุขจากการใช้ทรัพย์ให้เราใช้ได้ทำบุญยังไงดูแลบุตรภรรยาดูแลสามีดูแลนิจปริวานเอาเราได้ทำบุญเนี่ยก่อนเป็นบุญเนี่ยคือคือเรามองเป็นวัตถุทานเนี่ยเราไม่ได้มองเป็นวัตถุกรรม ใช่ถ้ามองเป็นวัตถุกรมแล้วมันจะให้ความเครียดความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินแต่นี่เรามองเป็นวัตถุทานเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ควรจักจักแจกยังไงชไหมจกให้ยังไงนี่ข้อที่สองข้อที่สามอนานาสุขสุข ที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นฉไหนโหนี่ใช่ไหมเธอกวระบุดนะไม่ติดหนี้สินลายๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากใช่ไหมไม่ว่าน้อยหรือมากก็ไม่ติดหนี้ใครเลยแล้วก็เธอย่อมได้รับความสุขได้รับสมนัสว่า เราไม่ติดหนี้สินไรๆของใครเลยไม่ว่าน้อยหรือมากอันนี้เรียกว่าอนานาณาสุขสุขเกิดจากการไม่มีหนี้เพราะเราบำเพ็ญศีลจาลีศีลวารรตศีลเรามีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราฉลาดในการใช้ทรัพย์เรามีความฉลาดในการใช้สอยทรัพย์แบ่งปันทรัพย์เป็นต้นน้ข้อที่สี่ ท่านใช้คำว่าอนาวัช ส, สุขสุขที่เกิดจากความประพฤติสุดจริตที่ไม่มีโทษเป็นเช่นไหนต้องมีสําคัญมากเลยคืออริยาสาวกนี่พระ ร, ริยาสอนอริยสาวกเลยนะในพระธรรมวินัยนี่เราก็ดูแบบอย่างใช่ไหมดูนาถาปิณิกาเศษดูนางวิสาขาเป็นต้น น, นี่นะผู้ประกอบไปด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษ ถามว่ากายกรรมที <gave word> <uniforms> uh, ่ไม่มีโทษก็แปลว่ากายกรรมที่ไม่เบียดเบียนเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมใช่ไหมกายกรรมที่ออกไปแปลว่าเป็นไปกับกุศลไหมเป็นไปกับกุศลไม่มีโทษเลยอเพราะใจไม่เป็นบาปใจเป็นไปกับบุญเมื่อกายกรรมเคลื่อนไหวออกไปวจิแล้วก็ด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษและก็ด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษถามบอกว่า อริยส า, าวกในพระธรรมวินัยนี้เนะสุกแต่การประพฤติดีเราไร้โทษกายก็ได้สุดจริตวาจาก็ได้สุดจริญใจก็ได้สุจริญเออทาไมถึงได้สุจริตสามเพราะผลของกุศลศีลไงใช่ไหมเพราะธรรมชาติของเจตนาจงใจจัดแจงในการที่จะไม่ทุศีลลักษณะของศีลเป็นศีลละนะใช่ไหม ทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้เกินกวนด้วยการทุศีลคือการฆ่าการลักการพูดเท็จเป็นต้นแล้วก็ทำวจีกรรมไม่ให้เกินกวนไม่ให้ประพฤติผิดใช่ไมไม่พูดเท็จส่อเสียดคาหยาบเป็นต้นนี่เป็นสมาธานังและในขณะเดียวกันมนโนกรรมก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิด โอตอนี่เลยใช่ไหมกายก็สุจริตเพราะด้วยการที่กุศลศีลแข็งแรงทั้งจารีต ท, ที่ข้อปฏิบัติต่อต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่อญาติมิตรปฏิบัติต่อวงศาคนาญาติปฏิบัติต่อบริษัทบริวารด้วยจารีตด้วยจิต ท, ที่เป็นไปกับเมตตาทีนี้วารีศีลแข็งแรงไอ้ตัวกุศลศีลเกิดขึ้นในกระแสะใจ ก็ไปกําจัดความทุศีลทางกายทางวาจากายก็เลยสะอาดใช่ไหมวาจาก็สะอาดใจก็เลยสะอาดเห็นไหมอันนี้ผลของอะไรเนี่ยผลของกุศลศีล น, นั้นผลของอผลของศีลก็คือว่ากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเพราะกําจัดความทุศีลทางกายทางวาจาและจิตใจก็ผ่องใสอันนี้เป็นผลของศีล ทำไมจึงมีศีลเขตใกล้ของศีลเพราะมีความละอายชั่วกลัวบาปความละอายชั่วกลัวบาปก็กระตุน้นกระตุ้นให้รักษาศีลทั้งจารีตทั้งวาลีทีนี้ทุกเราให้อาหารตลอดให้ปัจจัยตลอดให้สิ่งแวดล้อมตลอดตัวกุศลศีลก็เดินก็ได้กายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็มโนโคือใจก็สุจริต ถ้านึงใช้คําว่ากายกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยมนโนกรรมคือทางใจไม่มีโทษเธอย่อมได้ความสุขได้สมนัดว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมไม่มีโทษหน้อวจีกรรมพิจารณาไปก็ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมก็ไม่มีโทษอันนี้เรียกว่าอานวัชสุข สุขที่เกิดจากการประพฤติไร้โทษทั้งสามทางทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อตระหนักถึงความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้คนก็จะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เมื่อกินใช้ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุขเมื่อเห็นแจ้งชัด เขาก็มีปัญญาดีย่อมเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันได้และเห็นว่าความสุขทั้งสามข้างต้นเนะความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคความสุขเกิดจากการไร้หนี้ศินความสุขทั้งสามประการนั้น มีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกของความสุขที่ประพฤติกายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็ใจสุจริตเมื่อกายเขาสะอาดวาจาสะอาดแล้วใจสะอาดอันนี้สิเป็นความสุขที่บริบูรณ์สูงสุดัน้นถ้าเราดูว่ามีทรัพย์ใช้ใจ่ายทรัพย์บริโภค ไม่เป็นหนี้ความสุขสามประการมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกอ่ะไม่ดิเขาแยกยังไงเอาความสุขทั้งสาม อ, อ, อันแรกนะั่นนะ่ะมาเทียบมาเทียบนะเอามาแยกความสุขอันสุดท้ายถ้าใครมีกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดไรโทษเนี่ยนะมาแยกนะแยกเป็นสิบหกส่วน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นจนถึงสิบหกเนี่ยนะเอาส่วนที่สิบหกที่จริงบางคัมภีรท่านใช้คําว่าเอามาแยกอีกสิบกแล้วก็มาเอาสิบหกที่สิบหกด้วยซ้ำไปเนะไม่ถึงเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบหกฉะนั้นความสุขจากการมีทรัพย์ก็สุขน้อยมากความสุขจากการจ่ายทรัพย์บริโภคก็สุขน้อยมากความสุขจากการไม่เป็นหนี้ก็สุขน้อยมาก แต่สุขการที่ประพฤติไร้โทษสิเช่นกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดมีความสุขไหมเมืม่อกี้โยมถามว่าจะทํำยังไงถึงจะมีความสุขใช่ไหมฉะนั้นคนที่กายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็ไม่พูดเท็จส่อเสียดคําอย่าเพื่อเจร์ใจก็ไม่โลภใจก็ไม่โกรธ ใหก็ไม่มีความเห็นผิดก็อยู่กันและอยู่กับศีลสุสตา่จค่าปัญญาอย่างนี้พระบรมศาสดาว่าความสุขที่มีความประพฤติสุจริตไร้โทษเป็นความสุขที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพระยังเรียกเอาความสุขที่การประพฤติไร้โทษด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์เสเลยฟหม ท่า น, นก็เลยมองว่านี่ไงศกที่ไม่ต้องมบทีนี้พระาศาสดาก็บอกว่าเอา้าเมื่อเธอจะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์ใช่ไหมพระาศาสดาก็เลยตรัสบอกว่าเหตุผลในการที่จะต้องมีทรัพย์และประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์สมบัติพระาศาสดาก็ตรัสแกน า, าถาปิณิการเศรษฐีเลยบอกว่าตรัสให้เหมาะสมกับสภาพ สังคมนี่นะให้พิจารณาบอกว่าดูก่อนก็้นหาบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาเหงโภกศั์ทั้งหลายมีอยู่ห้าประการเอาห้าประการคือหนึ่งด้วยโพคาที่หามาได้ด้วยความขยันมเมื่อกี้ใช่ไหด้วยความมันเพียรด้วยการสะสมมาด้วยกำลังแขนอาบเงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบทำนะ ได้มาโดยธรรมนะอริยาสาวกย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขเอามาดูแลตนเองให้เป็นสุขนะอย่าให้เป็นทุกข์สุขในที่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่การมาสุขนะเลี้ยงตนดูแลมาให้เป็นสุขแล้วก็ให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลตนให้เป็นสุขนะโดยชอบทำนะแล้วก็เลี้ยงมารดาด้วยไหมเลี้ยงมารดาบีดา บุตภรรยาคนรับใช้คนงานให้เป็นสุขให้เอื้ออิ่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบทำนี้แหละคือประโยชน์ที่ควรถือเอาเหงงโพค่าคอนเลยเพั้นความสุขมันจะได้จากตรงเนี้ยก็แปลว่าจาัดสรรเป็นแล้วใช่ไหมจัดสรรดูแลตัวเองให้เป็นสุขเป็นยังไงดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นต้นแล้วก็บริษัทบริวารให้เป็นสุขอย่างไร อันนี้ประโยชน์ใช่ไหมถ้ามีทรัพย์แต่การเอามาทําอย่างนี้น้อมเป็นทานไหมน้อมเป็นทานเออไม่ใช่น้อมสักแต่ว่าให้น้อมเป็นทานเนี่ยเราได้สละเราได้ให้เราได้ดูแลถ้าพ่อแม่เราได้บูชาท่านเน่ะบูชาคุณนี่ยเอาทําไมเราตอบแทนคุณของพ่อแม่เออพอาะเรารู้คุณของแม่เพราเรารู้คุณของบุญไง เรารู้คุณของบุญแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อเรารู้คุณของบุญเพราะพระศาสด า, าบอกเอาเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระศาสด า, ษ า, าก็ปฏิบัติให้ถูกนี่เป็นข้อแรกข้อที่สองอระการหนึ่งด้วยโพคาที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรเนี่ยนะสะสมมาด้วยกําลังแขนอย่างอาบเหงือตามนะ้ำซึมมือของชอบทําได้มาโดยธรรมอริยสาวกก็ทํายังไงต่อ ย่อมเลี้ยงมิตรสหายผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลายให้เป็นสุขให้เอบอิ่มเอาใจใส่ดูแลเป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาเหงโพลคะัข้อที่สองก็มีมิตรมีเพื่อนมก็ดูแลเขาหน่อยดีไหมแต่ดูแลในฐานะเราได้ให้ฐานด้วยมองเป็นทานนักุศลเนี่ยเราได้ดูแลเราได้ปฏิบัติ เราเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติเป็นจัดสรรเป็นอะไรเป็นนี่ ย, ยใช่ไหมก็มีความสุขมีความสุขของพวกพระพวกพระซับเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเนี่ยความสุขจะเกิดอย่างนี้ประการที่สามอีกประการหนึ 1, ่งโภคาที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรด้วยกําลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยเป็นของชอบธรทำนะแต่มาโดยการประพฤติศีลด้วยนะ แล้วก็ได้มาโดยทําอริยสาวกทํายังไงต่อย่อมป้องกันโพคะให้พ้นจากอันตรายนี่ต้องรู้จักแล้วใช่ไหมต้องวางแผนนะเธอเนี้ยตรงเนี้ยหนึ่งอันตรายมีไฟป้องกนันอยังไปทําประกรนันได้ยังพูดภาษาประกรันภัยทํานะต้องทําประกันภัยไว้ด้วยน้ําด้วยเนาะ จากน้ําพระราชาพระราชาคืออะไรหน่วยงานของรัฐใช่ไหมเอนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องเอจะถูกจะถูกยึดซ้ำหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าวางแผนยังไหมวางแผนยังไหมก็คือการลงทุนนั่นเองแล้วก็โจรป้องกันจากโจรด้วยนะไม่ใช่ป้องกันจาก จากระบบราชการเนป้องกันเด็โจรผู้ร้ายด้วยแล้วก็ทายาทถ้ามีทายาทที่ไม่ดีต้องป้องกันเลยนะเห็นไหมสาวกของพระเจ้านี่ฉลาดคิดไหมฉลาดคิดต้องป้องกันถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องมอกไปป้องกันอะไรเลยสบายดีด้วยเดี๋ยแต่ทางนั้นก็ต้องป้องกันเพราะบางคนจะต้องมีทายาทที่ไม่ดีด้วยเนะใช่ไหม พรอย่างนี้เราต้องป้องกันไหมเราไม่ใช่หวงแต่นี้ทํามาแล้วผานหมดไหมผานหมดแน่นอนต้องมีวิธีป้องกันแล้วนี้ป้องกันทําตนให้ถึงความสวัสดีก็แปลว่าทําตนเองให้ถึงความสวัสดีทำทรัพย์สมบัติให้เข้าถึงความสวัสดีนี้ประโยชน์ที่ควรถือเอาอิงโพค้าข้อที่สามทํารือยังนี่เป็นความสุขไหมถ้าทําได้อย่างงี้ไม่ไม่ไม่ทุกข์ใจด้วยใช่ไหม บางคนเดี๋ยวนี้เขามีการตอนนี้เอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เริ่มจะย้ายเลยย้ายกองทุนกันเลยจะวิ่งกองทุนกันในประเทศเป็นยังไงอะไรต่างก็เริ่มย้ายกองทุนวิธีคิดเขาว่ากันไปนึ่ประการที่สี่โพค้าที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรนี่ยด้วยยางอาบเงือกต่างน้ําเนี่ยซึ่งเป็นของชอบทําได้มาโดยทํา อริยส า, าวกเนะ่ยอริยส า, าวกก็ย่อมกระทำเคลยกทำเพีให้อย่างญาติเพีก็คือส่งเคราะญาติอติทิพีก็คือเอาไว้ต้อนรับแขกส่วนหนึ่งอติเอะไหมมีใช่หมหนึ่งส่งขคระหญาติมีญาติก็ต้องส่งเคราะหอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ต้อนรับแขกเวลาแขกไปใครมาต้องเลี้ยงดูเ้าหน่อยไหมอันนี้ก็ต้องจัดแบ่งไว้ไว้เลี้ยงแขก ปพุพเพตพีทำบุญให้กับผู้ร่วงรับทำหรือยังเรามีญาติเยอะใช่ไหมที่จะต้องร่วงลับก็ต้องทำราชพีก็บำรุงราชการบำรุงพลาชาใช่ไหมเสียภาษีกรเทวตาพีก็คือว่าเ็าเรียกว่าบูชาเทวดาประจำบ้าน ที่จริงบูชาในที่นั้นคือยังไงก็คือทาบุญนั่นแหละอุทิตทาบุญอุทิศนั่นเองอุทิศนั่นเองนี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาเองโพคาสข้อที่สี่อภการต่อไปข้อที่ห้าอีกประการหนึ่งนะก็คือว่าอาริโพคาสที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความมั่นเพียรเนี่ยนะ สะสมมาด้วยกําลังแขนอย่างอาบเนื้อตามน้ําซึ่งเป็นของชอบตามได้มาโดยธรรมเนี่ยอริยสาวกประกอบประฏิสถานทักขีนาอันส่งผลสูงสุดทักขีนาทักขีนาทักิีนายบุคคลเนี่ยนะอันนำหน่วยผลที่ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อ พนิพพานเนะในสมณาาพราหม์ตั้งหลายผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทที่ตั้งอยู่ในขันติและโสระจกักรซึ่งฝึกตนเองทำตนเองให้สงบทำตัวเองให้หายเร่าร้อนจากราคะโทสะโมหะได้นี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาอย่างโพค้าข้อที่ห้าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้น้อมทาบุญอุทิศแด่พระสามมาสามพระเจ้าใช่ไหม หรือพระอุทิตแต่พระราชนาไตรนั่นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเพราะเราน้อมแก่ใครน้อมแก่สมณะพราหมณ์เลอนักบวชทั้งหลายผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทก็แปลว่าผู้ที่อยู่แบบไม่ปราศจากสตินะใช่ไหมไม่ประมาทตั้งอยู่ในขันติและโสระจะขันติแปลว่าอะไรอดทนอดทนแล้วโกรธไหม ใช่มสมณาพรามต้องไม่โกรธแล้วก็ฝึกตนเองคำว่าฝึกในที่นั้นเป็นชื่อของฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเนาะทำตนเองให้สงบบาปธรรมทั้งหลายคือสงบจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้ทำตนเองให้หายเร่าร้อนจากราคะโทสะโมหะแล้วก็น้อมบุคคลที่สิ้นกิเลสไหม น้อมทาบุญดุจให้กับบุคคลที่สิ้นนี่นี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาเอย่างโพคะข้อที่ห้าพระบรมศ า, าสดาก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนก็ทับ้บดีทั้งหลายกันอันพบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาเอย่งโพคะห้าประการเหล่านี้แล้วถ้าเมื่อเธอเนะเบมีอริยาสาวกเป็นต้นอนวนี้นะถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาเอย่งโพคะห้าประการนี้แล้ว โควาเหล่านี้หมดสิ้นไปทาดีไหมแบบนี้ทำดีแล้วถ้ามันหมดสิ้นไปนะเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาเหงโภกะรั์ประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือแล้วเราทำบริบูรณ์แล้วเราทำสำเร็จแล้ว และโภคาของเราก็หมดสิ้นไปแล้วโดยในนี้อริยาสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเขาจะไปเดือดร้อนใจยังไงเพราะเขาวางประดิษฐานไว้ในทุกระดับในทุกจุดและบุญเขาก็ป ร, ประดิษฐานไว้ดีแล้วในศาสนาอันเบสรของพระชินเจ้าเขาก็จกไม่ร้อนใจเพราะราคาโทสามัวหิอีกแล้ว และหากว่าอริยาสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพค้าห้าประการเหล่านี้นะแต่โพค้าเหล่านั้นมันเพิ่มพูนขึ้นเพราะเขาป้องกันดีเป็นต้นเหล่านี้กุศลของเขาในดีตตามมาทันส่งผลด้วยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทําถูกต้องอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมโภค้าเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยในนี้ อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นอันว่าไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งสองประการทรัพย์หมดก็ไม่เดือดร้อนทรับเพิ่มขึ้นก็ไม่เดือดร้อนมองเห็นไหมยังเนี่ยถ้าหากพิจารณาอย่างนี้ผู้คลองเรือนผู้ที่มีกินมีใช้แล้ว ท่านถือว่าเป็นหลักสคาคัญที่จะต้องแบ่งปันเผื่อแร์แล้วก็แก่ผู้อื่นนะแล้วก็ถือการปฏิบัติเนี่ยดำเนินไปตามมัคคาคือข้อปฏิบัติของอริยชนทั้งหลายหนทางเนะที่ท่านตรัสไว้เรามีน้อยก็พึงให้ตามน้อยมีปานกลางล่ะ ก็พึงให้ปันกลางมีมากก็พึงให้ตามมากการไม่ให้เลยย่อมเป็นของสมควรหรือไม่สมควรไม่สมควรเลยถ้ามีน้อยก็ให้ตามน้อยมีปันกลางก็ให้ปันกลางมีมากก็ให้มากการไม่ให้เลยสมควรไหมแต่ถ้าสมควรก็จะมีชายบอกให้คว่ำหม้อเลย ใช่ไหมให้หมดเลยถ้าได้ให้อย่างนีมีความสุขไหมนีไม่มีถ้าวางแผนชีวิตอย่างนี้มีความสุขไหมทีนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าเราถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการไม่ให้เลยย่อมไม่สมควร แน่ท่านโกสิยะเศรษฐีเราขอกล่าวกับท่านว่าจงให้ปันและจงใช้กินจงขึ้นสู่มรคาแห่งอริยชนถืดผู้กินคนเดียวไม่มีความสุขเลย <c oughs> ใช่บอกนี่ไงหนทางเดินของพระอริยะใช่ไหมอะกินคนเดียวมีความสุขไหมที่จริงก็มีพุทธพจน์เนี่ยมาจำพุทธพจน์ไม่ได้ ถ้าเป็นจำนวนโบราณก็บอกกินคนเดียวไม่มีความสุขดอกใช่ไหมไม่มีเลยเอะคนไปนั่งกินของคนเดียว ม, มีความสุขไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมไปแอ บ, บกินคนเดียวก็ไม่มีความสุขแอบบใช้คนเดียวก็ไม่มีความสุขแอบบนอนคนเดียวก็ไม่มีความสุข <c oughs> ใช่ไหมเรามีของดี ด, ดังเราไม่แบบเบื่อกานใช้สอย ไปโผ่ไปคิดเป็น ม, มอื่นหรือเ่การใช้คนเดียว ม, มีไม่มีความสุขเนยะการฝึกตนให้ในะในการให้ปันเนี่ยจะทาให้เป็นการเป็นข้อวดัดเป็นข้อปฏิบัติเนะี่ยที่ถือพิเศษเป็นประจำ เ, เมื่อมีรายได้เท่าแล้วนะก็จะต้องบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นตามอัตราส่วนนะท่านก็จะจัดเป็นไปตามลำดับ อยากจะรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนการจัดใช้ทรัพย์แบบจัดสรรยังไงไม่รู้ใช่ั้ยอามาไม่น่าไปรู้เรื่องลาววาเขาเลยเ <c> ด <oughs> <c oughs> ภาษารู้ตอนอายุมากคงไม่ผินเนะบอกทําไมไม่สอนบมตั้งแต่ที <c oughs> ่จริงว่าศาสด า, าสอนไว้นานแล้วเนาะคือพระบรมศาสด า, าเนี่ยนะ สอนไว้นานเนี่ยทีนี้กรณีว่าภิกษุสงฆ์นะกรณีการฝึกตนในการแบ่งปันเนท่านทำเป็นข้อปฏิบัติท่านถือว่าแม้แต่จะรับประทานข้าวแต่ละมื้อถ้ายังไม่ได้ให้ใครเลยก็อย่าพึ่งไปรับประทานใช่ไหเหตุผลก็คือพระาศาสดาท่ารู้ผลของ ทานดีไงฉะนั้นในกรณีที่ถ้าจะเอาอาหารใส่ปากต้องคิดให้คนอื่นก่อนไหมต้องคิดให้ก่อนอย่างน้อยก็เรียกลูกมาก่อนจริงไหมถ้ลูกๆกินข้าวก่อนนะอย่างเงนะี้งก็ให้ไม่จากที่จะให้ทานกน็ท่านเศรษฐีผู้กลับใจแล้วท่านหนึ่งก็ถือเป็นข้อปฏิบัติว่าถ้ายังไม่ได้ให้อะไรเนี่ยท่านก็จะไม่ ให้เข้าพเจ้าหากยังไม่ได้ให้ปันก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ำามือนจะวันหนึ่งทำได้ไหมกลับไปทาได้ไหมวันนี้ตื่นขึ้นมาถ้ายังไม่ได้ให้อะไรใครเลยเนี่ยแม้แต่น้ำก็จะไม่หยิบใส่ปากทำได้ไหมถ้าอยู่คนเดียวทำไงเลี้ยงสุ น, นัขสักตัวก็ให้สุ น, นัข ก, ก่อนนี่ <c oughs> เจตี่คิ ด, จ, ด, จ, ด, จ, ด, จ, ดจะให้มีความสุขไหมเนี่ยมีความสุข แต่พระภิกษุก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่ภพภิกษุก็ก็พิจารณาอีกอย่างตรงนี้ก็คือไปพิจารณาในหลักของการที่จะจับจ่ายใช้สอยทรับเนะเออพระปรม า, าสดาก็ทรงสอนในเรื่องของการที่ว่าทรงให้ใช้สอยในลักษณะอย่างไรในรายละเอียดต่างๆนะเนาะแต่ถ้าดูว่าเออเวลาจะพอมันพอไหม ออล์ล